Thank mm -hmm. you.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 หลวงพ่อโตนะยัยั ง, ย ง, ยงมีชีวิตอยู่ก็คือประมาณรัชกาลที่สี่รัชกาลที่ห้าเนี่ยมีคราหนึ่งท่านก็ได้รับนิมนต์ให้ไปแสดงธรร ม, มาจคู่อสดงดเทพธรร ม, มาจคู่นะกับท่านเจ้าคุณอีกท่านหนึ่งนะท่านเจ้าคุณธรรมอุ ด, ดมแห่งวัดโพแลการเทศธรร ม, มาจคู่นี่ก็เป็นธรรมเนียมแต่โบราณ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 ตอบอย่างไรหลวงโตทั่นก็ตอบว่าก็โซยังไม่แก้ปัจจัยยังไม่ไขจะพายไปได้อย่างไรนะพอเจ้าก็เป็นการกล่าวแก้ที่ครบท่วนะทั้งสำนวนแล้วก็เนื้อหาก็หมายความว่าเนี่ยคนเราเนี่ยนะอนทอานเจ้าคุณก็พยายามบอกว่าเนี่ยคนเราต้องรีบนะต้องรีบที่จะทำอย่าปล่อย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 ใจเราเนี่ยยังถูกล่ามไว้โซ่ยังไม่แก้ปัจจัยยังไม่ไข ถ, ไนะถูกล่ามด้วยอะไรนะถูกล่ามด้วยอดีตก็ได้โดยเพราะาสิ่งที่มันเป็นเหตุการณ์ที่ฝังอยู่ในความทรงจําเนี่ยอันนี้มันก็จะเป็นเป็นโซ่นะเป็นประแจนะที่เราจําเป็นนะจะต้อง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 เพราะว่าเมื่อใดก็ตามที่เราเพลิคิดไปนึกถึงอดีตทั้งที่มันเจ็บปวดมันทิ่มแทงใจเพราะตอนนั้นเราหลงเราเพลอดสิ่งที่จะแก้หรือช่วยทาให้ไม่เพลอได้ก็คือการมีสติ <c oughs> ความรู้ตัวความรู้ตัวอย่างเดี ย, ยก็ช่วยทำให้นะอะไรที่เคยหมกมุ่นนะมัน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 ภาษาฝรั่งเนี่ยมันจะมีคำหนึ่งที่เขาใช้ในโอกาสนี้ก็เลย resolution นะ resolution ก็คือการตั้งจิตตั้งใจนะหรือว่าการตั้งปณิธานคนเราจะตั้งปณิธานนะทำสิ่งดีๆได้เนี่ยบางทีก็ต้องอาศัยโอกาสอาศัยเวลานะ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 ใช้อธิษฐา น, นในความหมายที่ปิดนะก็คือข อ, อตั้งใจอธิษฐานขอให้เทพยาดาดนบันดาลให้เราประสบะโชคดีมั่งมีสิริสุขอะไรทำนองเนี้ยอันนี้มันไม่ใช่อธิษฐานในความหมายที่ถูกต้องนะอธิษฐานนี่เป็นเป็ น, เ ป, น, เ, ป น, เ, ปนเป็นบา ร, รมีอย่างหนึ่งเอขึ้นชื่อว่าบา ร, รมีแล้วเนี่ยก็คือของดีที่ต้องทําแล้วก็เป็นของดีที่ทําแล้วนี่จะมียนิสง์อย่างยิ่งยวด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 ขอให้มันทำได้แล้วก็ทาบ่อยๆทาเป็นอา จ, จินนะ mm hmm. สิ่งที่สิ่งที่ยากเนี่ยถ้าเราเริ่มต้นจากสิ่งเล็กๆเนี่ยมันก็จะเป็นแล้วถ้าเราทาสำเร็จเนี่ยมันก็จะเป็นอ่ากำไรหรือว่าเป็นกำลังให้กับเราในการทาสิ่งที่ยากได้มันก็เหมือนกับการเดินทางไกลนะเดินทางไกลมันจะไกล กี่สิบกี่ร้อยกิโลไม่ก็แล้วแต่นะมันก็เริ่มต้นจากการที่เราเดินก้าวแรกแล้วนะถ้าเราเดินก้าวแรกแล้วถามใจแล้วว่าเออเดินต่ อ, อได้อีกไม้มก้าวที่สองถ้เดินก้าวที่สองได้ก็เดินต่อก้าวที่สามก้าวที่สี่ไอ้ก้าวเล็กๆแต่ละก้าวนี่แหละนะที่มันจะทําให้เราไปถึงจุดหมายได้อันนี้คนที่เดินธรรมยานตานี่ก็จะมีประสบการณ์นะแล้วก็เข้าใจดีนะว่า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 เมื่อเราคิดก็คิดด้วยใจที่สงบนะมีสติอันนั้นแหละจึงจะ ก, กลายเป็นการใคร่ครวญ น, นะมันแตกจากการคร่ําครวญ น, นะคร่ําครวญเนี่ยคือการคิดถึงสิ่งที่ผ่านไปแล้วด้วยอะไรนะจิตใจมันกลายเป็นธาตุหรือถูกพันธนาการด้วยอดีตแต่ถ้าเกิดว่าเรามองอดีตอย่างใคร่ครวญเนี่ยเรากําลังใช้มันนะไม่ใชใ่มันใช้เรา อดีตไม่ก็อดีตเนี่ยมันหลายอย่างจะคอยปลุกปั่นให้เราเนี่ยหวรคิดถึงมันบ่อยๆมันบังคับจิตบังคับใจนะให้จมมกมุ่นอยู่กับมันแล้วก็สามารถจะบงการให้เราเนี่ยรักษาประคับประคองหลอล้อมหรือก็พิทักษ์มันเอาไว้ไม่ให้หลุดไปจากใจอันนั้นต่ายการใคร่ครวญนะใคร่ครวญนี้เรากำลังใช้มันนะถ้าคล่ำครวญเนี่ยมันกาลังใช้เรา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 ทุกให้กับเรานะถ้ามันยังไม่เสร็จนะก็อย่าไปอย่าไปทุกข์กำมันนะทําเต็มที่นะแต่ถึงเวลาก็ต้องรู้จักวางด้วยที่จริงระหว่างที่ทํานละ้วก็วางไปในตัวด้วยก็ทําได้นะเช่นนะระหว่างที่ทํางานนะเราก็อยู่กับงานไม่ไปนึกถึงผลสําเร็จนะหรือผลที่จะตามมาว่าจะเป็นอย่างไร ผลนัน้นเป็นเรื่องของเหตุปัจจัยมากมายซึ่งเราไม่อาจควบคุมได้สิ่งที่เราควบคุมได้คือความเพียรพยายามของเราอย่างมีคําพูดที่เป็นภาษา จ, จีนว่าเนี่ยความพยายามเป็นของมนุษย์ความสําเร็จอยู่ที่ฟ้าฟ้าในที่นี้ก็หมายถึงเหตุปัจจัยต่างๆมากมายซึ่งถ้าพูดแบบพูดก็คือมันเป็นเรื่องของตาตาเป็นเช่นนั้นเอง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 นะอาคารต่างๆหลายแห่งเช่นลงมหรสพทางวิญญาณพอสร้างเสร็จนะท่านก็มาขยับสร้างอาคารที่ชื่อว่าธรรมนาวาธรรมนาวาหรือที่คนสมมเ ร, รียกว่าเรือไว้เป็นที่ทำวัดเวลาฝนตกเป็นที่เก็บน้ำอาคารแต่ละหลังเนี่ยใช้เวลานานนะพอใช้กำลังของพระเนนเป็นหลักเขาทาไปทีละนิดทีละหน่อยใช้เวลาหลายปี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 หลวงพ่อท่านว่าเสร็จแล้วนะก็เลยไปดูนะปบอกว่าก็ยังคืบหน้าไปได้นิดหน่อยเท่านั้นเองก็เลยสงสัยกลับมาอถามท่าน อ, อาจารย์พุทธาว่าเอ้าทําไมอาจารย์ท่านอาจารบอกว่าเสร็จแล้วมันยังมันไปไม่ถึงไหนเลยท่านก็หัวเลอกก็บว่าเสร็จแล้วเนะี่ยเสร็จทุกวันนะวันนี้ก็เสร็จพรุ่งนี้ก็เสร็จมารื่นนี้ก็เสร็จนะ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 วางงานลงจากใจเวลาท่านทำงานเนี่ยท่านก็ทำเต็มที่นะแต่เวลาถึงเ ว, เวลาพักถึงเวลาเลิกงานนะท่านก็วางไม่ใช่วางเครื่องม้เครื่องมือลงจากมือเท่านั้นนะแต่วางงานลงจากใจด้วยมีความรู้สึกเหมือนคนที่ทำเสร็จแล้วนะพอร่วงขึ้นก็ไปทำใหม่นะนนเราจะลองทำใจแบบนี้ดูก็ได้นะขณะที่เรานะมีงาน มากมายที่จะต้องทําในปีนี้แต่ว่าเราก็รู้สึกว่ามันเบาเหมือนกับว่ามันเสร็จแล้วเดินทางอย่ามัวแต่กังวลว่าเมื่อไหรจะถึงเมื่อไรจะถึงให้รู้สึกว่าเออมันถึงทุกขณะหรือว่าถึงทุกก้าวทางานก็เสร็จทุกขณะได้เหมือนกันฉันถ้าเราวางใจแบบนี้นะ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 เราดีนเป็น ป, ประจำนะส่งท้ายปีเก่าตอ้า อ, อ, านนะตอนรับปีใหม่เมื่อเมื่อวานนะก็ต้อนรับปีใหม่กันทั้งคืนนะเรียกว่าทั้งวันแล้วก็ทั้งคืนเลยอาจจะต่อนเนื่องมาถึงตอนเช้านี้ก็ได้หลายคนก็อาจจะมีแผนว่าจะจะทำอะไรที่มันเพลิดเพลินเจริญใจเพื่อเป็นการต้อนรับปีใหม่สิ่งหนึ่งที่อยากจะอยากจะ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 ปีใหม่ก็ให้มีการต้อนรับจริงๆนะไม่ใช่ว่าต้อนรับบางอย่างแต่ว่าผักสายบางอย่างนะของปีใหม่หรือปีนี้นะปีนี้เนี่ยมันก็ต้องนะก็ต้องมีทั้งสิ่งที่เป็นโลกธรรมฝ่ายบวกนะเช่นได้ลาบนะได้ยศความสำเร็จนะหรือว่าความาการสละเสริญหรือความสุข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 แล้ถ้าเราต้อนรับทุกอย่างเนี่นะมันจะช่วยทําให้ปีใหม่เนี่ยมันปีที่ดีจริงๆถ้าเรามีการเลือกที่รับมั่กที่ชังว่าโอ้ของดีเอาของดีรับของไม่ดีไม่เอาอะไรที่เป็นทุกข์อะไรที่เป็นความเสื่อมเนี่ยฉันปฏิเสธผักใสอันนี้แหละจะทําให้เราทุกข์มากเลยเพราะว่าความทุกข์ใจของคนเราเนี่ยนะมันมันเริ่มต้มนบรรยากาศที่เราปฏิเสธไม่ยอมรับนะ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 หรือของปีนี้ไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามถ้ามันเป็นเป็นเรื่องลบนะก็ราาักษาใจไม่ให้ทุกข์เพราะมันแล้วก็หาประโยชน์จากมันให้ได้ mm hmm. เช่นเดียวกับอดีตนะเราก็ไม่ปล่อยให้มันทาร้ายเราแต่หาประโยชน์จากมันเ mm hmm. ง่ที่อย่างหนึ่งที่ควรพิจารณานะสาหรับการขึ้นปีใหม่นะ่ก็คือว่าปีใหม่แม้จะเป็นเรื่องที่ดีนะแต่ว่าความจริงอย่างหนึ่งที่เราต้อง ยอมรับก็คือว่าเรากาลังใกล้ความตายเข้าไปอีกหนึ่งปีเรากาลังใกล้ความตายเข้าไปอีกหนึ่งปีเราผ่านพ้นปีที่แล้วมาได้นี่ก็เก่งนะนะแต่ว่านั่นก็หมายความว่าเราเนี่ยเข้าใกล้ความตายอีกหนึ่งปีเข้าไปแล้วอ่ร ะ, ะลึกถึงความจริงข้อนี้เอาไว้อยู่เสมอนะเพราะมันกำลังบอกเราว่าเนี่ยเวลาเราเหลือน้อยลงละเวลาเหลือน้อยลง